เสาร์นะตรงกับวันที่22พฤษภาคม2547เราทุกคนก็มาทำใจให้เป็นบุญ ร, รวมรวมกันต่างคนก็ต่างมาในที่ต่างๆแล้วเราก็มาประชุมรวมกันที่นี่เดิมา ไข่โคลนถ้าทําคําสั่งสอนขององค์เสด็จพระจินดารสีด้วยกันแม้ว่าเธอไม่ว่าฉันเราก็มีโอกาสได้ไข่ครวนพิจารณาในสิ่งที่เป็นคําแนะนํำคำสอนของเสด็จพระทรงคันมารมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นิโนตุบาลวัดบ้านนมโค มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสพลมายายของเราท่านแม่ตาชี้แนะอบรมตัางสอนมาสิทั้งหลายก็ได้กระทำตามคําแนะนําของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจาังเพราะเชื่อว่าคําแนะนําของครูบาอาจารย์ย่อำจะต้องทําให้เรา จะตข้นในสิ่งที่เป็นความปารธนาจึงสามารถจัดข้นจากความทุกข์ได้เมลาปารนาได้ใช้สมาบัติเราก็ได้ประพฤติติดแบบจำค้ำแนะนําของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดเราก็ได้ใช้สมาบัติเป็นสมบัติของเราปารธนาเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนาเมลาได้กระทำตามที่ครูบาอาจารย์ไนะด้แนะนําอย่างเคร่งครัดจริงจัง เราก็ได้พบกับความเป็นอารยะย่อเป็นสมบัติของเราใมขณะที่มีสวรรค์สมบัติรมสมบัติหรือว่านิพพานเป็นสมบัติก็อาศัยในสิ่งที่เราทุกคนในานามนาเอาคําสั่งสอนขององค์เสด็พระเทพรันบรมราช ส, สดาสมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ของเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเข็งขรัแน่วแน่ จะบอกว่าอย่างเอาเป็นเอาตายก็ไม่ถึงขั้นขนาดเอาเป็นเอาตายแต่ต้องใช้คําว่ายอมตายเสียดีกว่าที่จะเอาดีไม่ได้ฉันทันจึงเคยกล่าลวไว้ว่าแตราชนักษาศูลก็ตอรอเสียษาเศีนเท่าชีวิตยอมตายเสียดีกว่าชิ้นขาดแต่เราจะเอาพุทธามเป็นพุทธงศามาบักินีสมาธิจิ แล้วก็ต้องปฏิบัติปฏุบัติอั่งเอาจริงเอาจําจไม่ดูดายมันตายไป ท, ท่านทั้งหลายที่เราได้กล่าวมาคือครูบาอาจารย์ของเราทุกคนก็ดีเพื่อได้ปฏิบัติปัจุบัติตามคําแนะนําของพระรพระรุทธเจ้าก็ตามคือการเอาจริงเอาจังท่านจะจะขอดสลายชีวิตเหมือนอย่างที่เราได้กล่าววาจา ามาทานระกรรมฐานนั่นเองว่าเราขอยอมมอบกายสวายชีวิตต่อองค์เสดพระธรรมสามนิสเนื่องการปฏิบัติของเราจึงมีความตั้งมั่นากับการเอาจริงเอาจังเราเอาจริงเอาจังในเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้ปราชนาที่อยากจะออกจากความทุกข์หรือป่าชนะที่จะทาให้ใจของเรานั้นสงบ เป็นสมาธิปธาถนาที่จะเกิดบุญเกิดกุศลในใจของเราเพื่อจะดูเป็นสมบัติเิดตัวเราไปทําให้เราถึงสึ่งวสวรรค์สมบัติบ้างรมสมบัติบ้างวิภานเป็นสมบัติของเราบ้างนันเศษทั้งหลายวันนี้ก็ดีก่อนหน้านี้ก็ตามที่เรามาประชุมรมกัน ก็เป็นไปเพื่อกันได้ใข้โครวนทบทวนในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนเรามาสิ่งใดที่เป็นข้อบอกพร่องเราก็ช่วยกันชี้ช่วยกันแนะช่วย ก, กันตักเตือนอะไรที่บุคคลท่านใดปฏิบัติได้แล้วเราก็แนะนําในสื่อนี้จะเราทําอย่างนี้เห็นคนเช่นนี้ทําอย่างนี้เกิประโยชน์อย่างนั้น เราทุกคนก็ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ ก, กันและกันไม่ใช่ ว, ว่าใครดีกว่ากันแล้วก็ไม่ใช่ ว, ว่าใครมันจะเลวกว่ากันไรืเสมอกันแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อต้องการหลุดพ้นเหมือนกันไปายเพอทุกคนตั้งใจชี้แจงอย่างนี้ว่าเมื่อเรามาที่นี่เราก็มาอย่างผู้ที่ปรารถนาที่จะได้มาไขรวมพิจารณาในคําสั่งของพระองค์เสศาสดา ที่เราได้ยินได้ฟังมามากครูบาอาจารย์สั่งสรเราก็ได้ยินได้ฟังมาเยอะเราได้มาที่นี่ก็มาร่วมกันมาหยุดยื่นสิ่งที่ตนเองมีสิ่งที่ตนเองเข้าใจสิ่งที่ตนเองทําแล้วเกิดผลมาแนะนําบอกกันและกันมนวันเราไหยุดยื่นด้สิ่งที่เป็นภายนอกบางคนก็นดหนังสือมาบ้างนำสิ่งนั้นมาบ้างมาแจกใจทํากัน บาคนก็อาจจะตร้างอะไรบ้างกระเจกดแจกกันไปบางคนก็ใช้ในสิ่งที่ประเป็นได้คุยคุยกันสนทนาทำกันแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติความต่อการอย่างนี้มันก็จะยังประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแม้จะพักีนาศจ า, จารุครูบาอาจารทั้งหลายถ้าได้เห็นปฏิปทาที่เธอทั้งหลายได้เป็นพวกขนขวายและตั้งใจ เพื่อนสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติแล้วมาถึงเวลาเรามาประชุมรวมกันที่นี่เดือนละครั้งครังหนึ่งก็วันสองวันแล้วก็มาถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความรู้ต่อกันอนช่วงเวลาที่เราไม่ได้มาประชุมรวมกันเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกางคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างคิดคิดนานาแล้วเราก็กลับมาถ่ายทอด ไม่บอกซึ่งกันและกันว่าฉันทําอย่างนี้เห็นคนเป็นอย่างนี้ลองทําดูบ้างดีไหมแล้วก็มาแนะนํากับกันและกันอย่างนี้มันให้ความสุขกันแบบนี้เขาเรียกว่าให้ธรรมท า, านประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ใช่นคนใดคนหนึ่งวันนี้เราจึงขอแนะนำในเรื่องของการให้การที่เรามีจิตใจให้กันให้เป็นที่เรามี ไม่ใช่เชียงค่ภายนอกอันเป็นสมบัติอันเป็นเงินเปนทองอันเป็นสิ่งของและเป็นวัตถุทั้งหลายจะเราให้ความจริงใจให้ความรักให้ความปรารถนาดีเราจะไม่มาว่าใครดีปักกันจะเราก็จ ะ, จะได้มาว่าใครเลวฝ่าเราใครมาเสมอเราหรือใครเขาจะดูฝ่าเรา เราคิดว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้มาร่วมกันบำเพ็ญกระทำความดีถือว่าเป็นคามโชคดีมนแดนมนุษย์ถ้าแดนมนุษย์เปรียบเสมือนแดนนรกแดนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่แดนที่ให้ความสุขแต่เป็นแดนของเสื่อชค่อของความสุขึ้นน้อยมาก แต่ปัญญาที่เต็ไมไปด้วยความทุกข์ที่เป็นการสวยผลของบาปก็เรียกว่าผลของบาปเหมือนกับผู้ติดตัวอาบัยวุมก็เป็นตัณรต ก, ก่อนเราจะกลาเสวยความเป็นตันรกแล้วก็ต้องมาสวยตามเป็นไตรจิจสองจำพวกบราจะกลายสวยความเป็นเปิดแล้ว ก็ต้องมาโวยความเป็นอสุรกายหลังจากการที่มาเสวยความเป็นอสุรกายแล้วก็จะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเคยเห็นข่าด้วยความโหดร้ายบ้างตัวนหนึ่งก็ต้งเาไปห้าร้อยชาติข่ากี่ตัวกี่ประเทศก็โยนไาวไปเกิดไปแต่ในมดกันการที่เรามาโวยผลของบาปของการเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็จะมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์ที่ต้องรับเจตของกรรมมากกว่าคือเป็นผู้เป็นตัวคนที่ต้องมารับเจตของกรรมที่อยากเป็นเสียงใจบ้างตายตายเร็บ้างแต่ว่าเกิดมายังไม่ชั่งใจหายใจมาดูโลกเลยก็ตายในท้องบ้างเออกมาทุกคนทุกการบ้าง เปลือมาเลี้ยงที่ลำบากลาบนบ้างทุกยากแสนเข็มบ้างดังนั้นเบนเดนที่เราอยู่รวมกันที่นี่จึงเป็นบญเ ด, น เ, ดนเหมือนกับเปลว ไ, ไฟอ่นอนๆมันเดิตามรุ่มร้อนเร่าร้อนที่เรามองมาเห็นได้ยากแต่มันก็สมอยู่ภายในใจของเราเสมอมันทื่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมืวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกที่แปว่าสภา สารถีสารถีคือคนนำพาเราไปชักพาเราไปพาเราไปให้เจอกับกองไฟมันยืนอยู่บนกระังแกงอย่างนั้นมีจักรไสที่พุ่งขึ้นมาจากเบื้องล่างเขาพาให้เราเร่าร้อนกั บ, ก บ, กบจักระสอยู่เสมอจนจะเกิดยันตายจะมีเวลาพักจิตพักใจก็น้อยนัก ไม่ยามที่กุศลให้ผลไม่ย่างที่เกิดทุกคนได้ใช้เวลาตรงนี้ก็คือเวลาของกุศลให้ผลตามกัจจ์ ก, ก็สายใจค่อยๆคลายลงไปความร้อนร้อนที่เราเคยมีก่อนหน้านี้ก็คายตัวลงไปถ้าเราได้มาระลึกนึกถึงพระพุทธเจา้ามาระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนเรามาระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์หรือพระอริยสงฆทั้งหลาย ตั้งใจระลึก น, นึกถึงศีลสมาทานตั้งใ จ, จเจริญพระกรรมฐ า, านก็ทำให้สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเด็กอกุศลกรรมมันตามเรามาไม่ทันตอนนี้ตอนนี้เราเจริงจริงในจิตที่เป็นกุศลกำลังให้ผลเราอยู่แต่เมื่อเราเหมดจากที่นี่ต่แล้วจิตเรวคลายตัวลงไปเราไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลให้สุดเนื่อง มันก็จะมีอากดเส้นและกำเข้าแทรกเราให้เกิดการคิดนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีนึกถึงสิ่งที่ทําให้จิตตรงตนกระตับกระสายวุนว่นวายแล้วเราต้องทํำยังไงณเวลานะมันก็คือไปที่กำลังรุ่มร้อนสมเราอยู่กาลสีกําลังทักพาเราไปอาบายะพรมกาลสีกําลังพาให้เราที่มากไปด้วยความเศร้าหมองคิดกิเลสกันหาความปจือเฉยชายานยา อุปทานจะยึดมั่นหมายมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นเขาและเขาจะทำไปตามแรงของอกัจนลกรรมให้ผลสางกรรมจุมโนกรรมใหม่วจีกรรมใหม่กายกรรมใหม่แล้วก็จักทาละไปเคลื่อนลงไปสู่อาบายโยภูมิแน่นสารถีโยงพระเดชจินมาติปรมบาสตาดาทรงตรัสแน่นหนาไว้ว่ามนุษย์เกิดมาบนแดนนี้ โดยแล้วตกอยู่ในอำ น, นาจของสรารถีที่ชักพาเราไปเจออบายะพมูมีน้อยนักที่จะมีใครที่จะนำพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สปษดิชินวรบรมบ า, าสดานํามาเพื่อไปปฏิบัติชักพาตัวเองให้พน้นจากอบายะูมิเราโชคดีที่เมีสารถในสารถีที่พาเราไป ในใดสวรรค์ตมและวก็ไม่านเราโชคดีที่เรามีกัลยาณมิตรมี่ร่วมกัน ก, นกนระทําความดีต่อกันและกันสรงเคอะเจ็กกุลกันเราโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่มากด้วยปัญญาบัลมีงก์เราก็โชคดีที่เราได้มาเป็นเด็กของพระคาถาคตเจ้าที่ได้เป็นผู้รักมัตต์ชาเลื่อนสในปรศาศสนาของพระองค์ มีพระพุทธจเป็นประธานส่งเคาะเราให้รลือแจ้งเห็นจริงตามโชคดีเลานี้ชักพาเราไปไม่ให้เราต้องเกิดกลัวอยู่กับความวุ่นวายเล่าร้อนที่มันสนใจเราตลอดนบนดดนมนุษย์แต่ทั้งหลายขอให้ทุกคนจงพยายใช้สติเป็นนึกๆน ล, ลุนึก สัมปทานะรู้ตัวเสมอจ็นำเป็นผู้เอาสตินี่แหละที่เอาสติที่เรามีพยายามที่จะนึกเตือนตนไว้ว่าอย่าให้สารถีที่เป็นฝ่ายชักพาเราไปอาบายภูมิมันเป็นคนนําเราไปอย่าปล่อยให้ดินดานนี้ยิ่งจตไม่ได้ฝ่าวนไหวและวก็ ร, ร้อนที่เราตกอยู่กับมัน ด้วยเศษของกรรมยังจะทำให้ใจของเรานั้นไม่มีทางที่จะเดินออกไปจากนี่ได้เลยอยาให้ติดของเรามันคล่องแล้วก็ไหลไปตามสิ่งที่เรียกว่าอ ก, ก, กุศลกรรมจึงหยุดสิ่งนี้มันเสียแล้วเราก็หันกลับใจเรานำใจของเราไปสู่ สิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือพระอริ ย, าารยสาวกทั้งหลายได้นำเนยรายตามเรื่องพระเยคนบาลขององค์เดชพระตลมมาโลกกันน้านที่เราเกขึ้นมาตลอดก็เป็นตัวบอกกับเธอทุกคนว่าความรู้ทั้งหลายที่เรามักจะกล่าวว่ารู้แล้วแล้วก็รู้มากแต่ด้วย ความเข้าใจทั้งหลายที่เรากล่าวว่าเราเข้าใจแล้วแล้วก็เข้าใจมากเอาเส็จ ด, ด้วยสิ่งนี้จะไม่สามารถยังประโยชน์กระเทยได้เลยถ้าเราสมาทิพังเผลอหลงลืมสตินี่มันแดนเหมือนกับไม่แตกต่างกักแบแดนนรกไกลไกลาาาการกระเสริฐของนรกก็ได้มนันดุ ไม่ใชแดนของสวรรค์ไม่ใแดงที่คนเขลาทั้งหลายที่หลงมัวเมาเห็นว่าเป็นของสลิดวิไลสวยงามแต่เราทุกคนได้เห็นว่ามันไม่ใช่แดนสลิดวิไลแต่เป็นแดนที่เป็นไฟเล่ารออ้อนอ่อนๆมันสมด้วยในหัวปิดของเราหัวใจของเราได้ทุกเมือ่อทุกขนักนทีก่เราพลาดเดชสติ ้าจะเปิดเอากับคู่ที่เตวยบรรดาสวรรค์เลยก็ลองนึกตามเราไปาวสวัฎาก็ดูนาฟ้าก็ตามท่านใม้มีกรรมอะไรที่จะพักชัดหาใจของท่านให้เตราหมองกรรมบรรพยม่ถึงนอกจากว่าใกล้ที่จะหมดบุญยามที่บุญยังให้ผลยังสวยผลของบุญ ที่ได้กระทําไว้ในตอนเป็นมนุษย์ติดก่อนตายอาศัยบุญเกาะใจที่ใจเกาะบุญไปสวยผนบนแดนสวรรค์ทั้งหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้ใจของท่านต้องกระสับ ก, กระส่ายเริ่มร้อนจุดจางใส่ แต่เจ้ดานางฟ้าทั้งหลายก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดจากความดีไปได้อย่างมากถ้าเจ้าดานางฟ้ามัวแต่จุดยอดนสัยเสรีวิไลเหมือนกันแต่ทำให้ท่านจึงไม่เหมือนกับเราที่เราจะต้องรุ่มร้อนกระตับกระต่ายเดิ้นรนกันมากนะักพยายามที่จะหาทางออกให้กับตัวเองทุกอย่างยากยาเกิดว่าทุดย่างก้าวเท้า เยอะคุ seen, so children, all, ้มดีเยอะคุ้มร้ายแต่เทวดาดังฟ้าท่านไม่มีคุ้มดีคุ้มร้ายดูเหมือนท่านไม่มีความโลภดูเหมือนท่านไม่มีความโกรธดูเหมือนว่าท่านไม่มีความหลงดูเหมือนว่ามันไม่เหมือเราเป็นมนุษย์เราเห็นทั้งความโลภเห็นชัดความโกรธเห็นชัดความหลงก็เห็นได้ชัด ถ้าความทุกเตสวยในผลของบุญท่านก็เลยไม่จามานั่งคิดอะไรก็จะคิดอะไรมากแต่เราต้องคิดมากสติตของท่านก็ไม่ต่างใช้มากเหมือนเราเราต้องใช้มากทำมากพลาดไม่ได้ลาดแล้วก็เจอไปของท่านไม่ต้องกลัวพลาดบนนั้นไม่มีไฟ เป็นสวรรค์ไม่มีไฟเล่าร้อนมีแต่ความสนุกสนานล่าเริงมีแต่อารมณ์โปรง่งมีแต่ความสนุกเพลิเพลิแต่าตัวดาองไหนท่านเพลเพลินตะลิงใจท่านก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมตัวดาองไหนท่านไม่ประมาทท่านก็จะคิดเสมอว่าท่านอยู่ที่นี่ไม่นานท่านต้องพยายามที่จะฟังธรรมและคิปฏิบัติเต็มต้นท่าเสมอ สิ่งที่มันแตกต่างกันนี้ไม่ใช่ว่าเทวาดานางฟ้าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมามากแล้วจึงไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรนั่นมปงนแค่แวสวยผลของบุญเป็นดินแดนที่ไม่มีไฟไม่มีสิ่งที่ทำให้กระตับกระสายแค่นั้นแต่ถ้าพลาดลงมาหร่ก็เป็นเหมือนย่างเราๆทานทัน ไอให้เธอทุกคนต้องตั้งใจคิดกันไว้ว่าเราจะประมาทไม่ได้สติเป็นไสิ่งต้องทำให้มากนะวาระกุสนให้ผลเราไม่รู้ว่าวาระจะมาถึงเมื่อไหร่แต่สติจะต้องมีการกตักเตือนใจตัวเองเสมอไม่มีใครสามารถจะมาเตนตัวเราได้ดีเท่ากับสติของเรา เวลาพยายามใจจดใจดจ่อพยายามนึกถึงพยายามจะกลัวจะพยันอันตรายพยันอันตรายต่างๆมากมายที่เธอต้องเจเอกับตัวเองตลอดตั้งแต่ตื่นยันหลับและพยนอันตรายที่เกิดที่นกับเธอมากที่สุดก็คือความคิดของเธอเอง จะเรียกว่าขันห้าที่มีรูปเวทนาสัญญาสัขงขารยืนยานแต่สิงที่เรามองมันไม่เห็นก็คือความคิดอารมณ์ถ้าเราไม่มีสติยักยั้งอารมณ์ตัวเองไม่มีสติยักยั้งความคิดไม่มีสติยักยั้งความจําแล้วก็ไปให้มันคิดให้มันจนําเลยถึงไม่ดีแล้วมันจะคิด มันสร้างอารมณ์ที่เศ้าหมองเธอก็เหมือนกำลังสุกในสาระฉีชักพาเธอกำลังไปตัวอบายภูมิฉันนั้นมันน่ากลัวไหมถ้าเธอปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเวลาาฟมันสมเข้าไปในใจของเธอเธอรู้สึกยังไงมันร้อนร้อนมันเศ ร, าราเ้าหมอง มันมีตามคิดที่จะจัดกระจายเพื่อได้รับโครงจ้างตรงแั่งไปตามอะไรจะไม่อะไรมากมายแล้วเมื่อเรารู้ตัวเราก็จะรู้สึกว่าเราเกิดตัวเราเองเปกิดความคิดอย่างนี้เกิดสิ่งหนานี้ไม่ควรจะมีกับเราแน่นอนเพราะว่าเรานะ่ะไม่กระทาให้สติ ข, ของเราสืดเนื่อง ถ้าจะมีสติสจำปัญญาประคองใจของใจตลาดเวลามันยากที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจของเธอเพราะอะไรเพราะว่าตัวใจดีเจะตั้หนาสิ่งที่เป็นความเจ็บเคยมีอยู่ในใจของเธออยู่แล้วไม่งั้นเธคงไม่สนใจปฏิบัติจะตั้หนาที่จะได้ะระลึกนึกถึงพระจะได้ระลึกถึงคำสั่งสอน และนั่นก็ิงที่สิ่งที่ทําให้เกิดสบายใจจะต้องมีในใจของเธออยู่แล้วแต่เราเนตไม่ออกเราเนตไม่ได้ถ้หลราพร่องทําให้สติของเราในที่ควรที่จะเนตสิ่งนี้กลับไม่ได้แล้วถูกในสาระสีชักพาละไปในอบายภยคุนเส็จแล้วเราจะรู้ตัวเราจะตกคนติดตัดเตนมันก็ยากคนอื่นตัวเรา ก็ไม่อยู่เขาจะพูดดูยังไงเราก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่คอยคิดยังสติพิด น, นานาตามแต่จันเกรติจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะหากเคยเป็นผู้ตัดเป็นกฎอิฐในยานที่เขากําลังขาดสติตเขาจะรู้เลยว่าคำพูดของเธอไม่มีค่ามันจะมีค่าก็แต่เมื่อเขานะ่ามีสติ ถูกไหมยามที่ไหนพก็าตามเดี๋ยวเขาไม่มีสติที่จะนึกถึงไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้าคำพูดว่าไม่มีสติคือไม่มีสตินิดถึงในสิ่งที่ควรจะนึกที่พาทักพาใจของตนฮะให้เกิดความสุกจะกลับมีสติไปนนึกกต่สิ่งที่ทําให้ใจนั้นเนะี่ยวุ่นวายนึกไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะนึกคิดในในเรื่องที่ไม่ควรจะคิดปล่อยเพราะขันห้ามันนําพาเราไป ทำไม่ใจตกเป็นภาตของขันห้าแต่ถ้าเรามีสติประคองใจไว้เสมอว่าเราไม่ใกับขันห้าเราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่เชื่เราเราคือจิตจิตของเราจะต้องมีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์จิตของเราควรจะอยู่กับสิ่งที่ดีไม่ใช่จะอยู่กับสิ่งที่เลวร้ายจิตของเราควรจะเป็นอย่างนั้น เราก็ถ um ้าเป็นผู้ที่ให้นายสารชีที่ทักพาเราไปในส่วนที่ดีปรากฏในใจเราเห็นไหมเราต้องเห็นพระพุทธเจ้าบ่อยไหมก็จําเป็นกับบุคคลที่ฝึกอยู่เราต้องเห็นพระธรรมคาสั่งสอนบ่อยไหมก็จําเป็นกับบุคคลที่ต้องฝึกฝนตนเองอยู่เราต้องมีสจตินึกถึงสิงที่เป็นความจริงบ่อไหมก็มีความจําเป็นเมื่อเราเป็นผู้ฝึกฝนอยู่ แม้จออากพระาอารหันต์ทั้งหลายหร่แม้จะไม่ต้องฝึกฝนอะไรแล้วก็จริงแต่ก็ยังใช้สติสที่สมบูรณ์บริบูรณ์คิดและพิจารณาอยู่ในความเนือ ง, องไม่เคยขาดแม้เสี้ยวของลมหายใจเลยเพราะอะไรเพราะแดนนี้มันเป็นแดนที่เต็มไปด้วยไฟไฟราคะไฟที่เกิดจากราคะไฟโทสะ ไฟที่เกิดจากโทสะไฟโมหะไฟที่เกิดจากโมหไะไฟหลาล่านี้มันสมขึ้นมาด้วยทุกขณะลมหายใจเข้าออกของเธอเมื่อใดก็ตามที่เกิดลาดสติที่ไม่อนึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่เราเรียนรู้มาหรือเข้าใจฝึกฝนตนเองกันมาคอยจะทบทวนตัวของเราเป็นจริงตามนี้บ้างไหมละ่ะนั้นกือว่าสติ เธอจะพร้อมไม่ได้ที่จะวัดพร้อมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราบังคับให้เจอพร้อมไม่ได้แต่ว่าเพื่อตัวของเธอเองที่อยู่บนแดนนี้มนุษย์เธอจะพร้อมกับมันไม่ได้ถ้าพร้อมไปก็จะสมใจเสีทันทีและสิ่งที่ตามมาก็คือกรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลละกรรมมันก็จะลุล้อมตัวไม่ขาดสาย เหมือนเป็นเชื้อดีดๆที่ทำให้ใส่ในลุกแรงขึ้นเผาผ่านมากขึ้นมากขึ้นจนมาล้นออกมาทางวาจาล้นมาทางการกระทำการกระทำแต่ถ้าเราเอาสติเรลลิ่มนึกถึงคำสัำ่งสอนขององค์สระพุทธศาสนมาสั่มพทธเจ้าอย่างน้อยเราก็คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ตายมันไม่มีอะไร ที่จะยังประโยชน์แกเราได้จริงถ้าเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายนั่นไม่ใช่โศเขาไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้นี่มันแานมันแดนนรกนะที่เรายืนอยู่ทุกวันเนี่ยมันยืนอยู่บนแดานรกแดนหนึ่งต่เป็นแดนที่มันยังให้ฝนไม่มากเรื่องเศษเศของนรกเท่านั้นสัตว์ประหลาดก็ยัมาตนกับเราเลยเห็นไหมแล้วสัตว์ประหลาดมันก็เศษเศษของสัตว นรกอย่างหนึ <at> ่งถูกมหมยังอยู่กับเราเลยเรายังอยู่กับมันกินกับมันนอนกับมันก็ยังมีเลยแล้วจะว่าแดนนี้มันจะเป็นแดนอะไรก็ต้งแต่ว่าเป็นแดนนรกเศษของนรกแดนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่แดนที่เติมไดยความสุขไม่ใช่แดนที่ให้ตามตุกและไม่ใช่แดนที่เราหาตามสุกได้ในแานนี้เลยถ้าจะเห็นว่าเธอกาลังอยู่กับดแานที่เติมไปดย ไฟจะติดเท่านั้นที่จะทํำให้เราคนนออกจากสิ่งที่เป็นควายร่าเริงสนใจเราได้แล้ดระดับไฟได้ดับไม่ได้ดมันเกิดขึ้นสนใจเราได้แม้จะเป็นระยะสั้นๆก็ต้องทําถ้าเราไม่พยายามที่จะทําให้เกิดขึ้นติดเนื่องเราเองนเหล็กเหมันตกนรกทั้งเป็น ขอให้ทุกคนที่มากันที่นี่เราก็มากันเพื่อที่จะได้เพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจําไว้นะเราไม่ได้มาอดเก็บอดปีเราไม่ได้มายกตนข่มใครเราไม่ได้มาตีตัวเสมอใครเรามาเพื่อการที่จะได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันสื่อสารให้ให้กันสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันนาน เดือนหนึ่งเราก็ได้มาส่งเคาะกันช่วยเหลือกันก่วยกูนกันมากบ้างน้อยบ้างเราก็มาช่ยกันนี่เราก็มาช่วยแบ่งกันช่วยกันไม่มีอาหารทานกันช่วยมีความปสะดกสบายกันและกันอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็มาช่วยกันสิ่งใดที่เป็นคำคําสอนเราก็มาเผยแผ่ช่วยกันอะไรที่เป็นบุญเราก็มาช่วยกันแนะนําบอกกันช่วยกันสร้างช่วยกันทำกัน เพื่อเราจะได้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามากขึ้นเราจะได้ชักพากันไปให้ค้นจักแดนนี้ด้วยกันไม่ะจะมากลับเิือนไหวไปเกิดอีกบุคคลที่ปาถนาจะเกิดเขาเกิดมาเพื่อจะสอ่องคอกคนก็คือท่านจิปาถนาพระโกฏิยานก็ทำกันต่อไปรอมตามแล้วก็ขอให้เกิดทั้งหลายจงสร้างใจคิดเป็นยมตนไวเสมอนะ ว่าเมื่อใดที่เราขาดสติเมื่อนั้นแหละเรากําลังเป็นเหยื่อของอบญญายภูมิตราบใดที่เรายังมีมสติและลึกลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้พระธรรมได้พระอาริยสงฆ์ได้นึกถึงความจริงได้มีความตายเป็นต้นเราก็จะห่างจากอบญญายภูมิแล้วเมื่อใดที่เราดำเนินจะทำสิ่งนี้มากขึ้นสติมากขึ้นละเอียดขึ้น ีขึ้นเราก็จะเป็นผูกพ้นจากแดนที่เรียกว่าอบายภูมิมีสัตวรกมีเปรตมีเซลล์กายมีสัตว์กระดิฉานแม้กระทั่ยงยานมนุษย์เราก็ได้พักก่อนที่สวรรค์สิ่งที่เรามีสติยับยั้งตั่งใจการเป็นมนุษย์มันก็จะส่งผลเมื่อเราได้ไปฟังวัตถมัจเจสนาเมื่อเราฟัางวัตถมัจเจสนาจะอองค์พระพุทธาสนาสมมาสัมพุทธเจ้าสัมโพริ จบเดียวแล้วก็เป็นอารามก็แป่นิพพานถ้าเราไม่กำลังใจมั่นคงเด็กเดียวไม่อรอไม่ต้องการจะหวังขึ้นกับการรอเพีงแค่บนสวรรค์หรือกกนอีกต่อไปแต่ติใจัยตรงนิพพานชาตินี้เอากันชาตินี้เราก็จะรู้ตัวเราเองว่าเราต้องทำอะไร สติขขาเราก็ต้องมากกว่าคนที่จะไปพักแค่กสวรรค์ถูกไหมล้วก็ต้องทำ ส, สติให้มันมากขึ้นระลึกนึกถึงความจริงมากขึ้นเพราะการไปนิพพานต้องไปได้วยปัญญาถ้าเอาแต่บนเห็นบนจริงจริงที่ดีก็แค่าตา ม, มาวาแจ้งสวรรค์เห็นชาญจริงจริงที่ดีก็แค่ปลุ ม, มาโลกถ้าเรามีปัญญาดี เราเห็นตามทุกอย่างไม่มีอะไรเครียดแข็งสงสัยในใจเราแดานมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดินนางฟ้าก็ดะเด็นแล้วจะเป็นอย่างที่ทํำให้เรทุกข์ได้เสมอทำทุกอย่างเราไม่ต้องการกลับมาเกิดเรื่องไฟที่จะทำให้เราเกิดเล่าเล่าร้อนในความโลภเราดับไปแล้วใจที่จะเล่าร้อนเพราความโกรธขังใจเรามันก็ดับลงไปแล้ว แล้ววากกรอบพยาดจากใครมันก็ดับตรงไปแล้วไปแห่งความหลงไหลใส่ฝันว่ามันจะเป็นของดีมันก็จะ ด, ดับลงจากใจลงไปแล้วถึงจะเป็นการดับชั่วขณะเวลาหนึ่งขณะจุดหนึ่งมันก็ถือว่าเราได้กำลังสะสมปัญญาก่ไม้ไหนะ แต่คิดว่าเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยมันจะมีไม่มีผลและมันมีผลน้อยไอ้เล็กๆน้อยนี่แหละสําคัญแค่ช่วงขณะเวลาสั้นๆที่เราตัดสินใจเข้าใจความจริงมันช่วงขณะเวลาเล็กๆน้อยๆมันมีความสําคัญกับชีวิตของเราอย่างมากและเมื่อเราสามารถจะคิดอย่างนี้ได้บ่อยๆเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันบ่อยๆมัน คณ า, า, าจารย์ทั้งหลายท่านจะอุปมาเหมือนก้นน้ําหยดมาชิละหอียดเทีละหยดเพื่มันจะเป็นหยดลเล็กๆน้อยๆแต่มันก็สามารถทําให้น้ําต็มเตมเต็มภาชนะได้ดทันใดสิ่งที่เราค่อยๆําเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันจะมีผลใหญ่ฉันยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งก็ง่ายๆยังเคยตั้งใจจะตั้งเวลาว่าจะลุกขึ้นมาปฏิบัติ ฉันจะเตือนปีสองมาปฏิบัติเฉันจะเตือนปีสามาปฏิบัติฉันจะตือนปีสี่หรือว่าปีห้าจะมาปฏิบัติในแบบ ต, ตั้งใจพอเวลากลนค่ำกลางคืนชขื่อนระยะก่อนจะสว่างเป็นเวลาที่ดีสำหรับเราเราจะตั้งใจมารึมานั่งสวดมนต์ไหว้พระจัดตรียมพกรรมฐานเราตั้งใจแล้ก ว, นนวก็กรราา ต, ตั้งเวลาไปเลยว่าเวลานี้เราจะตือนพอตั้งกรีมัน เมื่อฟ้าปก็ติดปุ๊บอาการง่วงเหงาหานอนก็กําเริบต่ออาการที่เกียดก็ตามมาเดี๋ยวก่อนตกววะพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้บรรยากาศไม่ดีร่างกายไม่ดีนอนดึกที่มันจะแค่ชัวขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งอย่าคิดว่าไม่มีผลนะจะฟังให้ดี แล้วเขาก็หลับต่อทุกนี้เวลาเดินตรียแล้วเราก็ลุกขึ้นมาหน่อยก็คือเราลุกขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวขึ้นมานั่งตั้งท่าตั้งทา ง, า ง, ทางยังไม่ได้หายใจเข้าหายใจอลมหายใจออกล้มตัวลงไปนอนนอนภาวนาก็ได้วะวุ่นหายหลับสบายก็ไม่เป็นไรก็อย่าคิดว่าเสียคน วันที่สามต่อไปเวลาเดินอีกครึ่อีกก็เปลี่นมาอีกแต่เชื่อไหมถ้าเชื่อไม่เชื่อลองทำดูจะทำอย่างนี้วันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยนมันจะมีวันหนึ่งที่มันไม่เกินเจ็วันมันจะเกล่นของมันเอง ในใจยไมอาจารยจะตุกมันก็เติมมันเองและใจมันจะมีอารมณ์โผร่มันอยากปฏิบัติเองอยากทำเองเมื่อกูุศนให้ผลมันก็จะส่งผลให้เจออยากทําอยากให้เครอง จ, จิตเจรานอยากทบทวนในความดีที่เราได้จะทําอยู่จยากทบทวนคาําสั่งสอนขององค์พระเดชพระสมัสมสมาสัมพุจเจ้าที่กรูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนเราให้ปฏิบัติ แต่ถ้าวันแรกเราทํำวันหลังเราไม่ทําต่อเออทำไปไปแต่นั้นเราก็ น, น้อนเราจะไม่ต้องไปตั้งคอนัว่าเท่านั้นแหละเธอก็ไม่มีโอกาสจะดีขึ้นมาได้ยกตัวอย่าเรื่องไม่ให้ฟังว่ า, าเล็ ก, เ ล, กเล็กไม่น้อยเธออย่าคิดว่ามันไร้ค่ามันไม่มีผลนะทําไปเถอะขอเราตั้งใจทําน้อยเล็กนึงแค่ลุกขึ้นมาตัวมดหัวขึ้นมาหลับไปเลยว่า อย่าเพ่งแย่เรไลท์ไม่เป็นไรใหม่ๆค่อยๆทาทุกวันทุกวันทุกวันไปมันจะมีวันหนึ่งที่เกิดทําได้พอทําได้วันหนึ่งสองวันสามวันคตอนนี้มันจะชินมันจะค่อยๆเริ่มชินจิตมันจะเริ่มชอบแล้วมันจะเติบเองทําเองไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนมันก็จะเติดเองแล้วก็จะรุดทําเองปฏิบัติตัวมันเองแล้วเมื่อนานเข้ามัอเริ่มจ่าเริ่มปล่อยไม่ทําอีกแล้วมันก็ค่อยๆหายไป หายไปแต่เป็นว่าดึงกลับมาได้ยากอีกพอจะเริ่มมีสติสตังขึ้นมาจะรู้ว่าเราต้องทําบ้างแล้วถึงไม่ทำโดนดา่าโดนดา่ามาแล้ววันนี้กลับไปต้องทําบ้างก็ไปตั้งใจทําขึ้นมาใหม่ทําไปวันสองวันไะด้ทำก็ไหม่ได้เลยขึ้นมานอนหลับตัวว่าทาแบบนี้เสียผล จำไว้นะอย่า <inequ> ล <ity> ืมว่าเล็กๆไปน้อยเนียถึงว่าสองสามวันทําไปแล้วสี่วันวันที่สี่ดีวันที่ห้าไม่ดีก็อย่าไปเฉลิใจก็เติมมันทุกเวลาเวลาที่เราตั้งขอยเติมมันไว้เติมมาทุกวันเติมมาทุกวันเติมมาแล้วค่อยๆเติมพิจารณานิดนึงอย่างดีนึกถึงพระพุทธเจ้าหน่อยก็เอายังดีอ่ะทุกโธคําทุกคําโธคำเอานอนต่อไม่เป็นไร เราทําเป็นปฏิจิตมันจะเริ่มชินเรื่เนี่ยเราทํามาถึงเวาระของมันก็จะส่งผลให้ตอนนั้นแหละมันจะเข้าใจอะไรง่ายบางทีเราไม่สยา ญ, ญาไปคิดอะไรมันจะโปรงสว่างขึ้นมาในใจเราเข้าใจในสิ่งที่เราขาดใจได้ไม่ยากมักผลเกิดได้ไม่ยากนะขอยเจอจังไหนจําไว้เมืม่อเด็กที่เราทำเปิดเนื่องปฏิจิตต่อ อย่าใขาดอย่าให้มันขาดลงไปถึงมันจะได้บางไม่ได้บางก็อย่าให้มันขาดพล่งองลงไปข้อนี้ขันใดาการปฏิบัติจใจเราก็เหมือนกั น, นการนี้เรามีสตริระลึกไว้ระลึกไว้แล้วก็คิดพิจารณาใข้คนในธรรมเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ใช่ของที่เราอยากเกิดแต่โลกควาโลกเราไม่ปรารถนาที่จะไปถึงแม้ว่าเราคิดชัว่วขนดาดจิตหนึ่งเวลาหนึ่งนะ ก็อย่าคิดว่าไร้ผลนะมันมีผลสำหรับโธมากทีดเดียวนะค่อยๆคิดไปค่อยๆทาไปแล้วอย่บันแดงที่ได้ว่าเปิดกระดุดเหมือ น, น ก, ก, กับนรกไกลๆก็ได้ว่าเศษของนรกกำลังให้ผลกับเราอย่าคิดว่านิ่งคือแดงที่ทำแสวงหาความสุขได้ไม่มีหรอกเรากำลัลงสำรวจผลนะผลของความเป็นอคติละก ร, รม ที่มีกับเรามากผลของบุญมันไม่ค่อยช่วยเราวับวับท่นั้นมันแสงสว่างที่เวลาฟ้ามันลับจั บ, บมาหน่อยเดียวแค่นั้นจริงๆริงแต่จับรับนั้นมันไม่สามารถจะเปรื่องระไมไฟมันติดได้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะจับรับนั้นมีเปรื่องออมาแล้วมันทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้ ตอนนี้ฉันใดยามที่เดนินมาส่งกล๊บเมาช่วงขณะเวลาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความสว่างขึ้นมาในใจเราได้แลเมื่อสว่างแล้วไม่สคกจิตแล้วจิตเลยสว่างแล้วก็สว่างเลยตอกระจายไหมั้นวันนี้ท่านจึงแนะนําเธอทุกคนว่าสติเป็นสิ่งที่เธอต้องระลึกนึกไว้ถึงความเพียรของเราการะทามันจะให้ผลน้อย ก็อย่าคิดว่าเสียผลมันได้ไมยมากก็อยู่คิดว่ามันไม่ได้เลื่องไม่ได้ราวจนคิดว่าตราบใดที่เรายังตั้งใจและก็มุ่งสติที่จะกระทำให้มันติดเนื่องถึงเวลาที่ต้องทำถึงเวลานี้ต้องคิดถึงเวลานี้ต้องใค่ขนถึงเวลานี้ต้องทำแม้จะเล็กเล็ดน้อยนิดนนก็ช่างเถิดทำเอาไว้ที่กันงนั้นทั้งเคยทำมาแล้วแล้วก็เห็นผลว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ จึงกล้าที่จะแนะนํากับพวกเธอทุกคนว่าทําอย่างนี้ดูการที่เราติดคนเราต้องยอ ม, มรับความเป็นจริงวันนี้มันแดงเหมือนกระดนานนรกอยนที่จะเบรกไปวุ่นปามวุ่นวายเรากำลังอยู่กับสักนรกถูกไหมจิตใจคนที่เกิดเหมือนกับสัตว์นรกมาเกิดก็ไม่เกิ น, น้อยเจดานดาวฟ้ามาเกิดไม่มากเท่าไหร่นันกนะลงมาเกิดก็ไม่มากอะไร แต่ที่มาจากสัตวนะ์นรกเนี่ยเยอะที่แน่ๆสัตว์รจริญฉันก็มาจากสัตนรกทรั้งนั้นเต็มไปหมดย่างก้าวเท้าไปไหนเจ็เจอแต่สัตว์เจริญฉันเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเจอคนก็มีจใจของสังตว์นรกบาา้างใจของเปรตบางแต่มีร่างกายของมนุษย์บางก็เยอะแยะไปเห็นไหม นั้นเราไม่จะอยู่ในแดนที่เป็นสุขด้วยเนืหาความสุขในแดงที่เรียกว่ามันเป็นแดนสวยผลของเสด็จของนรกเท่านั้นจงเตือนกันไม่เสมอเราจึงต้องพยายามที่จะทําอย่างไงในแม่องเสด็จพระจอมแต่บรมมาตัดกรดาษทรงได้เป็นผู้ชักพาและทรงเสด็จเดินนําหน้าเราไปบอกทางให้กับเราได้เดินทางนี้ไปลูกออกจากแดนนี้ได้ออกจากแดน น, ดออกกนรกได้ ออกจากการเวียนไหวใจเกิดได้ปฏิบัติอย่างนี้นะลูกคิดอย่างนี้นะลูกทำอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนนะสอนทั้งหมดสอนจะทั้งเรื่องถ่ายเนื้อตะนี่นะพระพุทธเจ้ายงสอนถ้าขี้ไ่ออกไม่ยาเบ่งพระพุทธเจ้ายังต้องสอนเลยนะสอนทุกเรื่อง สอนจนถึงขั้นให้เราหนัพ้นจากความทุกข์ขอให้เราเห็นกระทั่งนิพพานต่อทั้งหมดทั้งสิ่งที่บารมีครูบาอาจารย์ยอดเย็นอย่างนี้สิ่งที่ตรงตรงตรัสแนะ น, น, นําต่อให้่ยเราล้วก็ดึงมาทุกทวนไข่ควรให้มีสติไว้ตลอด เ, เชืเอว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครหลอกโง่ไอ้ที่ไม่ตลาดก็เพราะว่าเราเผลอ นะเผลอไปหลงลืมส ต, ติตัวเองไปสิ่งที่เราดีเรามีดีอยู่เรากลับไม่นึกเอามาให้ควรทบทวนแต่เราเผลอไปเผลอให้ในแต่ละขีที่มันทักใจละไปพาเราไปให้มันเดินไปลงตัวอาบายภูมิแล้วกําลังหมกมุ่นไปกับแดนที่บนนี้ใส่ของนรกเนี่ยแล้วเราก็บอกว่ามันแดนเหมือนแดนสวรรค์ ดันสรีดยุนอืมแต่ท้าที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรสรีดยุติใจนี่เรากำลังมาใช้กรรมก็ใช่เป็นการใช้กรรมสิ่งที่เราทำมาน่ะถูกต้องแต่เรากลังจะโชคดี B ที่เรามีพระพุทธเจ้าที่ท่านอุบัติมาเพื่อจะให้เราออกจาก ไม่ต้องมาใช้กรรมอย่างนี้ต่อไปท่านกิจสอนให้เรานั้พยายามที่จะฝึกสติฝึกสติให้มากโดยพระกรารมฐาน ท, าที่องค์ทรงวางแนวไว้ตามจุดสงสัยและคนที่ปฏิบัติกันไปต่อแนะนําทุกอย่างที่เป็นทางคนจากความทุกข์ให้เราได้ปฏิบัติกันไปเรามีตรงนี้ถิดว่าโชคดีไหม โชคดีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบายจะขึ้นในโลกจะเป็นยังไงถ้าพระทำคำสั่งสารองเสด็จพระจอมตาบรมาสารปรดาสวนไปหมดแล้วจะทํากันยังไงไมมีพระอาริยาสาวกองเสด็จพระองาาาาค์ที่มีความเข้าใจในความจริงเจะทํากันยังไงทํายังไงก็ทํากันนะเวลานี้ก็ตั้งใจนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ นึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนนึกถึงพระอริยสงฆ์คูบาอาจารย์นึกถึงท่านผู้มีพระคุณที่สงเคระเราให้โอภิปรายเราการาบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เมตตาสงเคราะหเราในเวลานี้น ะ, ะเวลานี้ก็เอากันแค่นี้ก่อนนะหลังจากที่เราได้จุดจงโกตนนะ ก็เป็น ต, ตั้งใจว่าสิ่งที่เจอได้การทาเป็นบนุญในวันนี้คนก่อนหน้านี้ก็ดีคนในคามตั้งใจวันนี้ที่เราถวายทานก็ตามรักษาศีลก็ตามเจริญพระกรรมาฐานก็ดี จ, จะได้เป็นบุญที่ครบถ้วนเป็นบุญใหญ่จนต่างๆลาเหล่าเนี่ยจะนําพาให้คำปรารถนาของเจนสมหวัง ไปตนงขยใจว่าความปาจจณาของเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดตัวเธอนะเธอต้องชนะที่จะตั้งตามปาจจณาว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเสี่งรอบ ด, ด้านมากมายเหมือนเรากําลังอยู่อแดนแดงของนรกไกลๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมือไว้เราจะทํำยังไงเราเป็นผู้มีปฏิสัมปทัญญะขอสินะขอให้เราเป็นผู้มีปฏิสัมปทัญญะ ป้องตัวนะย้าย ต, าตกระดับตกระบกพ้องขออย่างนี้ขอให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ครอบคุมกายครอบคุมใจของข้าพระพุทธเจ้าให้มีสติตั้งมั่นอยูทุกขณะจิตขอท่านอย่างนั้นนะขอให้เรามีสติตั้งมั่นอยูทุกขณะจิตขอให้เรามีปัญญาเป็นเคื่อรู้แจ้อองแทนตลอด กัจจิเลตเป็นสมุขเขตสัพหารเข้าถึงนิพพานในชาติไปจุบันอย่างง่ายดายเวลาทำอะไรเราต้องตั้งใจตั้งความปัจจณาเอาไว้ไม่ว่ายามใดที่ต้องพังเผอหลงล้มสติขอพระพุทธเจ้าขอพระอรยะิยสาวกทั้งหลายขอพรมเจวดาคุบาอาจารย์ท่านพ่อท่านแม่พเพื่อตรัตักเตือนหยุดยั้งความคิดของข้าพเจ้า ค้ยมีสิ่งใดมาสั่เตือนให้หยุดความวุ่นวายในใจของเขาไเจ้าอย่างรวดเร็วและ ง, ง, ง, ง, ง, ง่ายดายอย่าให้ตกเป็นทาสของแรงอคติแล ะ, รละกรรมลงไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาของเราไปอย่างนั้นคิดเป็นไหมตอนนี้จักขอบ้างนะ เ, เราถึงจะทํทาความดีเราไม่ได้เป็นการทำแลกเปลี่ยนแต่นี่เป็นความตั้งใจของเราเาเรียกอภิษฐานบรรัณฑิมันเป็นามตั้งใจ แต่บางเอิญมันเกิดขึ้นในช่วงที่ใจเราสบายเพราะอาศัยบุญนะแต่ช่วงไหนเราไม่ได้มีบุญรับใจเรามันไปขึ้นเรื่องอื่นสิ่งนี้มันก็คงคิดไม่ได้ใช่ไหมมันก็คงไปอิจฉาเรื่องอื่นอิจฉาขอได้รถไอิจฉาขอได้บ้านไอิจฉาขอโนนขอนี่ข อ, ข อ, ขอไปเลื่อขอผัวขอเมียขอไปอได้มาได้อีกเรื่องอ กานที้เราตั้งใจในสิ่งที่เป็นความสุขที่เราเห็นแล้วว่าอะไรเป็นความสุขเราจะเป็นทางให้เราพบกับความสุขแล้วขอสิ่งนั้นขอให้ท่านเช่วยครอบคุมกายนะครอบคุมใจเราให้มีรับสติตั้งมันโดยทุกขณะจิตให้มีกําลังจิตของเราเป็นยังไงเข้มแข็งเด็ดเดี่ย ว, ยวกล้าหาญใช่ไหมแล้วก็ต้องขอกําลังใจเรามันเข้มแข็งเด็ดเดี่ย ว, ยวกล้าหาญมันได้มันจะได้ออกจากความทุกข์ได้ง่าย เรากัระเคลื่อนขังเด็ดเดี่ยวกล้าและขอเรามีปัญญาเป็นเรื่อรู้แจ้งแจตลอดลัปกิเลตเป็นสมุขเขตสัพหารได้พอถึงอรรถผลุปามเป็นพระอายะตุคนในพระศาสนาอย่างง่ายดายก็ตั้งใจยอย่างนี้จำได้ไหมนะทุกครั้งอ่ะส่วนอื่นในพระศาสนาอะไรแข็งในพระว่าไม่เยไปและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรายามที่ยังอยงู่ดินแดนอย่างนี้อย่างน้อยสติเป็นสิ่งสําคัญ กันนะอ้างใจที่สมควรร่วมกันอิจฉงบุญญาพลังตลอดบนไดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็แล้วณโอกาสนี้ขอทุ่สมควรนี้ให้แต่ท่านทนเจ้านดำในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้า ได้ เ, เ, เกิดโล่มใจมาตั้งแต่อดตก็ดีจนถึงปัจจุบันระชาติขอท่านทั้งหลายจะปลดอดโทษจะปลดโ ม, ม, มทนาให้แก่ข้าพเจ้าจนป่าจะได้ถึงจึ่งพระนิพพานจะขอที่สุนทรสนนี้ให้แก่พระเจ้าทั้งหลาย ที่ต ป, ก ป, ปากรักษาข้าพเจ้าและที่ประเจา้าทั้งหลายทศาากัณฐ์กัลปิพและพญายมราชขอที่ประเจา้าทั้งหลายและพญายมราจะตรวจโมทนาเพื่อเกิดเป็นสัตย์ผยานในการบำเพ็ญกุศลของขา้าพเจ้าในครั้งนี้โดยเถิด แลขออิสุขโสดุลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขอยูกก่ก็ดีเสวยความทุกข์อยูกก่ก็ดีเป็นยากก็ดีไิ่ใช่ยาิก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาเพิ่งเนี่รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะเพิ่งนีรับ นักการบัดเจียวนี้เกิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลละบนนุญนี้จองเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติัจจุบันโดยเทศ อรหังสัมมาสัมพุทโธดภคะวาตังภควันตังอภิวาเทมิตวาขาโตภควัตตาสมุมตมังนัมมาสามิปปฏิปันโนภควัตโตสาตวะกวาสังโฆ สังข์นับมามิ